สิกขาบท 2 ว่าด้วยการแจกอาการะจีวรเรื่องภิกษุณีทุลนันธาสมัยนั้นพระ ได้เดินทางไปกรุงสาวัตถีอุบาสกอุบาสิกาเห็นภิกษุณีเหล่านั้นแล้วคิดว่าภิกษุณีเหล่านี้มีวัดปฏิบัติ อุบาสกอุบาสิกาเห็นภิกษุณีได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายได้จีวรบ้างไหมภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่ายังไม่ได้จีวรแม่เจ้าโถลนันธา ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสก ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติ ฉะนั้นภิกษุณีโถลนันทาจึงอธิษฐานอกาละจีวรเป็นกาลจีวรแล้วให้แจกกันเหล่า ต้องอบัตนี่สักิยปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณีทุลนันทาจบสิกขาบทวิภังคำว่า ที่ชื่อว่าอกาละจีวรได้แก่ 1, 1. ผ้าเดือนในเมื่อ 7 เดือนในเมื่อได้กลั่นกฐินแล้ว 3 แม้ผ้าที่เขาถวายเฉาะจงในการนี้ คือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษุณี อาการจีวรเผินนี้ดิฉันอธิษฐานเป็นการละจีวรแล้วให้แจกกันเป็นนิสสัคคีดิฉันขอสละอาภรณ์ละจีวรเผินนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้ชลาสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนอาการละจีวรที่เธอสละ ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนอาการะชีวรผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่ พึงคืนอาการและจีวรผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อหนึ่งโคมอุตราสงห์เฉียงบ่าสละอาการและจีวร บทภาชณีติกกนิสสคิยปาจิตติอกาละจีวรภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอกาละจีวรอธิษฐานเป็นกาลจีวรแล้วให้แจกกันต้องอาบัติ กาลจีวรภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกาลจีวรอธิษฐานเป็นกาลจีวรแล้วให้แจกกันต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีย์ทุกขะทุกกฏ อนาปฏิวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีผู้ให้แจกอาหารจีวรด้วยสําคัญว่าเป็นการละ อน, อน. 2 จบ 3 ปัตตวะสิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวรเรื่องภิกษุณีทุลนันธาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ชีวรที่เถอแลกเปลี่ยนกับดิฉันอยู่ที่ไหนภิกษุณีนั้น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 ลมดับนั้นพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลลนันธาแลแลกเปลี่ยนจีวร <The> ภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้ จีวรของเธอต้องเป็นของเธอจีวรของดิฉันต้องเป็นของ คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่ประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คำว่ากับภิกษุณีคือกับภิกษุณีรูป หรือจีวรเนื้อดีกับจีวรเนื้อไม่ดีคือชิงเอาคืนเองต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์คําว่าใช้ให้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีอย่างนี้วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีสละแก่สมภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไป ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงสละ โหมอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าแม่เจ้าทั้งหลายและถึงกราบท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งกระยหมประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า นางกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละจีวรผืนนี้แก่แม่เจ้าเอาคืนหรือใช้ให้ อุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจแลเปลี่ยนชีวรกันแล้วชิงเอาคืนหรือใช้ผู้อื่นให้ ภิกษุณีหรือบริขารอย่างอื่นกับอนุปัสสัมปันแล้วชิงเอาคืนหรือใช้คนเอื้อนให้ชิงเอา 1. ภิ Miyazaki ผู้รับแรกเปลี่ยนขี้นให้เองหรือภิ 2014 2. ภิู 3. ภิษยต้น 3. จบ 1. ปัตวัก 6. 4. ว่าด้วยการ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวัน ถวายแก่ภิกษุณีธุลนันธาภิกษุณีธุลนันธากล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันไม่ต้องการเนยใสแต่ต้องการน้ำมัน เมื่อไหร่เราจึงขายสินค้าได้ท่านซื้อเหนื่อยสายตามราคาเหนื่อย ฉะนั้นแม่เจ้าทุลนันธาออกป่าขอของอย่างหนึ่งแล้วจึงขอของ ภิกษุเนถุลนันธาออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอ หรือทําคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งขึ้นได้ของอย่างหนึ่งแล้วของอย่างอื่นต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตี นี้ที่พระผู้มี ต้องอาบัติทุกกดในขณะที่ขอของนั้นเป็นนิสสัคคีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ กล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนี้ดิฉันออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วจึงออกปากขอมาเป็นนิสสคีดิฉันขอสละของนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้ชลาสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนของที่เธอสละให้ด้วยยัตติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟัง ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืน ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งผมอุตรสาวงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งเนื่องกระโยมประนมมือกล่าวอย่าง ต้องอาบัตินิสัจจยะปาจิตตีย์ของอย่างอื่นภิกษุณีไม่แน่ใจออกปากขอของอย่างอื่นต้องอาบัตินิสัจจยะปาจิตตีย์ของอย่างอื่นภิกษุณีสำคัญ ไม่ใช่ของอย่างอื่นของอย่างอื่นภิกษุณีไม่แน่ใจออกปากคือ 1 ภิกษุณีผู้ ญญทท4 ภิกษุณีต้น 4 จบ 1 ปัตตวะสิกขาบท 5 ว่าด้วยการ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ เพราะปวรณาว่าแม่เจ้ากระผม ได้ถวายแสบภิกษุณีทุลนันธาภิกษุณีทุลนันธากล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ต้องการน้ํามันแต่ต้องการเนยใส ถ้าเรารับของที่ขายไปกลับอีกเมื่อไหร่เราจึงขายสินค้าได้ท่านซื้อมันตามราคาน้ำไปแล้วท่านจะเอาเนยใสก็จงนําค่าเนยใสมาครั้งนั้นสิกขมานานั้นได้ยืนร้องไห้ภิกษุณีหลายจึงถามว่าเธอร้องไห้เพราะเหตุไรเธอจึงบอกเรื่อง ฉะนั้นแม่เจ้าโถลนันทาจึงสั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่นแล้วครั้นแล้วภิกษุนี่เหล่านั้น ภิกษุนิโถลนันธาสั่งให้ซื้อของว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระว่าภิกษุ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังใดสั่งให้ซื้อ คืออภิสุนนีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้ คือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณี เป็นนิสสัคคีดิฉันขอสละของนี้แก่สงฆ์ครั้น ภิกษุณีรูปนั้นพึ่งเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูปโหมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึ่งเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งโหมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่ง <N> um> นางกัลยาณประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้าโบทภาชณีติกะนิสัจจิยปาจิตตีของ ต้องอาบัตินิสคริยะปาจจติตีของอย่างอื่นภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่ของ ไม่ใช่ของอย่างอื่นของอย่างอื่นภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่ของอย่างอื่นไม่ต้องอาบัติอนาปัตติ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อ ได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าให้วัยาวัจกรไปนําจีวรจากบ้านนั้นมาแจกกันเถิดเจ้าค่ะเองแล้วบริโภคอุบาสกและอุบาสิกาทราบเข้าจึงตําหนิประณามโพนธนาว่าไฉนพวก ที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาค ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นํา คือขอบริจาคแก่สงฆ์แลกว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มี หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว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 คำว่าที่เขาบริจาคแผ่สงฆ์คือที่เขาบริจาคเพื่อประโยชน์แผ่ ภิกษุณีพึงสละของที่เป็นนิสสัคคีอย่างนี้วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีสละแก่สงฆ์ เป็นนิสสัคคีดิฉันขอสละของนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณี พิสุนีรูปนั้นเพริงเข้าไปหาพิสุนีกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลาย Liberty Gears สละแก่บุคคลหนึ่ง คมอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดง ต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุนี้ไม่แน่ใจให้แลก ทุกกะ ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีนำกับปิยภัณฑ์ที่เหลือไป ว่าด้วยการแล่ 2 เรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระ แม่เจ้าพวกเราฝากบริขารค่าชีวรไว้ที่บ้านของ ที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแด่สงฆ์ที่ขอมาเองแลก <Mount> ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนั้นไปบอกภิกษุทั้งหลายพวก ที่เขาบริจาคแด่สมที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่น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 เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระ คือของที่ถวายยกถวายเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งคําว่าที่เขาบริจาคแก่สงฆ์คือที่เขาคือขอมาแล้วเอง เป็นนิสสคีเพราะได้หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละของที่เป็นนิสสคี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 ถวายสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงคืนของ ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้าบทพาชีนีเติกกะนิสกิยาปาจิตตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญว่าเป็น ภิกษุณีได้ของที่สละแล้วคืนมาซึ่งรวมกับปัจจัยที่เขาถวายไว้ ไม่ใช่ของที่เขาถวายหนึ่งไม่ต้องอาบัติอนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่